พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งลำดับที่สิบห้าโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหกมีชื่อเรื่องว่าเริ่มปูฟางข้าวให้เต็มพื้นที่ โมเนเป็นวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2556เมื่อคืนตีสามตีสีฝนตกอย่างแรงแรงพอสมควรทำให้วัดของเราถนนที่วัดของหลวงปู่เราสะอาดขึ้นเยอะเลยเพราะว่าฝนตกล่างถนนแล้วก็ดีไหม หรือไม่ดีฝนตกอืมมันก็สัองสองอย่างนั่นแหละมีดีทั้งไม่ดีอที่ดีก็คือนั่นแหละหญ้าที่ปลูกที่รอบบริเวณเมนของหลวงปู่เราพอฝนตกขึ้นมาแล้วโอ้โหรู้สึกว่าเขียวสะอุมเขียวสวยสดขึ้นมามากเหมือนน้ารดเนี่ยไม่เหมือนอน้าฝนนะน้ําฝนมันมีอะไรอยู่ในมันของมันนะนะั่นแหะทําให้ หญ้าได้เสร็จสดสวยสดเขียวขึ้นมาที่ไม่ดีก็คือลูกหลานได้แจกจายปูฟางปูเฟืองให้คนนั่งฝนตกลงถ้าหากว่าจากนี้ไปถ้าฝนถ้ามันไม่แดดนะก็ททำให้ดินชุ่มก็ททำให้เกิดลาหรือทำให้เฟืองเน่าฟางเน่าได้ แต่ถึงอย่างไงหลวงพ่อก็คิดว่าจากนี้ไปทั้งสบวันสมอาทิตย์จะต้องมีแดดแน่แน่นั่นเมื่อแดดออกมาเผาฟางฟางก็คงจะแห้งดินก็คงจะแห้งก็คงจะพอบอกพอบอกพอดีแต่ถ้าหากว่าอย่างวันสองวันจะพระราชทานเพลิงสถิละของหลวงปู่ถ้าฝนตกอย่างนี้ก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยดี แต่ที่ยังไงบุญบารมีของหลวงปู่ของเราคงจะคุ้มครองไม่ให้ฝนตกใกล้ๆที่เราจะพระราชทานเพลิงศรีระของท่านนะพวกเราเองก็สิทธิอนุสิตลูกหลานเองก็ขอบอกกล่าวเทพเจ้าเราเทวาพญาแถนบนฟ้าขอจะให้ฝนตกเทินในวันนั้นใกล้ๆวันพระราชทานเพลิงศิริระขององค์หลวงปู่เรา เพราะจะทำให้เรื่องทั้งหลายยุ่งเหยิงวุ่นวายเท่าฝนตกอย่างเมื่อคืนนี้นะถ้าใกล้ๆวันพระราชทานเพลิงจรีละของหลวงปู่หลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าใกล้วันนั้นฝนคงไม่ตกฝนคงไม่ตกแน่แต่ถึงอย่างไงพี่น้องประชาชนที่มาพักแรมเมื่อคืนนี้ก็คงจะลำบากพอสมควร พอฝนตกมันไม่เหมือนที่พักที่นอนของตนเองล่ะแต่ถึงยังไงพี่น้องประชาชนนะอดทนนะ้า อ, อดทนขันติคือความอดทนตัวนั้นแหละไปอยู่ในที่สถานดีทั้งนั้นแหละแต่พระพุทธเจ้าท่านได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณไปนั่งอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำ ฟังสะมุดจลินฝนตกสังเก็ดวันเจดคืนเห็นไหมนะพญานาคได้มาคุ้มครองขนาดพระพุทธเจ้าเคยผ่านมาแล้วเรื่องฝนตกเพราะนั้นพวกเราไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวโบลลอมว่าครูของเราก็ฝนตกมาแล้วท่านเคยสู้มาแล้วพวกเราเป็นลูกศิษย์จะไม่ให้ฝ น, นฝนตกลาเฉลยแล้วบอกฝนตกถูกต้องเราเฉลยมันก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะ สรุป แ, แล้วก็คืออดทนเนอแต่วันนี้อย่าเพิ่งย้ายเนอะฟางเฟืองทั้งหลายให้งดไว้ก่อนวันนี้พอดินมันยังชุ่มอยู่ทํามันดินแห้งก่อนพวกเราจึางค่อยปูเฟืองอีกอีกรอบยังยังหลายวันจีหลอกแต่หลวงพ่อให้ปูเมื่อวานก็เพราะว่าดูดูแล้วก็ฟางมันเยอะเหลือเกินถ้าเราใกล้ๆเราจะไปปูถ้าหาคนปูไม่ได้มันก็จะลําบากพวกเราอีกเหมือนกัน ลำบากหัวหน้างานพูดง่ายง่ายลำบากหัวหน้างานแต่มันจะเสียหายไหมถ้าหากว่ามีคนเป็นร้อยเป็นพันก็ไม่ว่ากันนะเราพวันสองวันก็เสร็จนะแต่นี้เรามองมองดูแล้วเนะี่ยคนก็ไม่มากเราจะไปทำให้เสร็จวันสองวันคงไม่ได้เพราะนั้นพวกเราจึงอันไหนที่วางแผนอันควรจะเสร็จก่อนก็ให้เสร็จก่อน ถึงจะช้าถึงจะเร็วไปหน่อยก็ไม่เป็นไรคอยให้มันเสร็จไปเป็นอันเป็นอันไปผู้ที่ดูแลงานก็ได้สบายใจไม่ใช่ว่าใกล้ๆยังค่อยมัลุมตุ้ม ม, มัลุ ม, ม, มตุ้มผลที่สุดก็ทะเลาะกันโมโหโก้ท้าให้แก่การทะเลาะกันไม่ดีถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราสิ่งไหนควรจะเสร็จก็ให้เสร็จไวเต่นน่อดีกว่าเสร็จไปแล้วก็ไม่เสียหายอะไร แต่บางครั้งก็เสียหายไปบ้างเวลาฝนตกถ้าฝนไม่ตกไม่เสียหายอันนี้เราก็ดูละ่ะพี่น้องพระเนรลูกหลานทุกองคนะ์นาถึงอย่างไรยังไงก็เราทําเพื่อบูชาพระคุณหลวงปู่เทิดทูนบูชาพระคุณหลวงปู่เท่านั้นแหละจบนะไม่ได้ทําเพื่อลวงพ่ออินนะไม่ได้ทําเพื่อบูได ใ, ใครผู้หนึ่งนะไม่ได้ทําเพื่อสมภารวัดนี้นะทําเพื่อหลุงปู่ เมื่อทําเพื่อหลวงปู่แล้วก็เมื่อจบแล้วก็ไปพระราชทานเพลิงสถิละหลวงปู่แล้วก็เออเอายกมือท่วมหัวแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานเออบุญผู้ฆ่าทั้งหลายได้เสียสละท้งกายทั้งใจทั้งวาจาเพื่อบูชาพระคนหลวงปู่บุญกุศลจุดนี้ก็ขอให้เป็นเครื่องเกือกุลหนุนข้าพไปเจ้าจนตลอดถึงแดนพระนิพพานเข้าสู่พระนิพพาน ในอวสานด้วยเถอนะนังคิดอย่างนั้นแหละเพราะนั้นการสร้างบุญสร้างกุศลมันติดติดจิตติดใจติดพบติ ด, ต ด, ต ด, ต ด, ตดชาติเพราะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนาะมาคราวนี้มาเพื่อเสียสละเพื่อลงปู่ของเราให้จบจบไปนะ่ะเอาต่อที่ไปรับพรนื้อขณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะ้า